แระธรรมเทศนาลำดับที่ยี่สิบสาโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าทำไมต้องประวรณาวันนี้เป็นวันที่ห้าตุลาคมพุทธศักราช2554ห้าห้าสิบวันนี้เป็นวันขึ้นแปดขาเดือนสิบเอ็ดในวันนี้เป็นวัน เป็นวันรักษาอุโบสถศีลของพวกเราก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้ทบทวนในการที่พวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนข้อพรรษาว่าเราจะทำอะไรในพรรษานี้แล้วก็ให้ทบทวนดูว่าขาดตัวปกพ้องมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าว่าขาดตัวปกพ้องเราก็ควรจะพยายามทำให้เต็มตื้นขึ้น พออีกจังอีกเจ็ดวันที่จะออกพรรษาแล้วก็วันออกพรรษาเป็นวันที่สิบสองอีกจากนี้ไปก็เจ็ดวันเป็นวันเดืเดอนส1บเอ็ดเพนวันออกพรรษาสำคัญชะไหนอันนี้หลวงพ่อก็เคยพูดมาให้แก่จต่ายญาติโยมโลูกหลานได้ฟังได้ศึกษ า, เ, าเมื่อพูดเมื่อปีที่แล้วปีหนึ่งจะพูดครั้งหนึ่ง พวกลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังที่ผู้ที่สนใจก็คงอยากจะได้ยินได้ฟังว่าวันปวารณาออกพรรษานั้นพระสงฆ์ท่านทำอะไรคือวันพระสงฆ์จำพรรษาเมื่อวันเดือนแปดเพนพอถึงสามเดือนคือวันสิบเอ็ดเดือนสิบเ็ดเพนก็สามเดือนพอดีก็อพระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้นนั้น ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเมื่อจะออกพรรษาก็ต้องสวดจติปรวรณาปรวรณานันคืออะไรพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์จำพรรษาเป็นหมู่หมู่ใหญ่เป็นส่วนมากอยู่ด้วยกันหลายองค์จะให้ถูกกกถูกใจหรือว่าเป็นที่ยอมรับกันทุกหมู่เหล่าทุกองค์ก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นเวลาออกพรรษา พระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีการการขัดข้องหมองใจกันหรือทำความไม่สบายใจซึ่งกันและกันหรือก่อนหน้านี้หรือว่าคณะที่จำพรรษาที่อยู่ด้วยกันพระพุทธองค์บอกว่าควรจะปะวารณาปวารณาก็คือพระสงฆ์ทุกรูปที่จำพรรษาอย่างวัดของเราเนี่ยปีนี้พระจำพรรษา4ี่สบรูปพระสีบแปรูปตั้งแต่ หัวหน้าคือหัวแถวตั้งแต่หลวงพ่อลงไปในวันออกพรรษาหลวงพ่อจะนั่งกระยองปนมมือขึ้นต่อส่งว่าสร้างคำอวุโสปวารเรมิดิเทนาวาสุเตนาวาปริสรงกายวาวัดันตุมังอายตสัมมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะปัจจันโตปฏิกริษามิพูดสักสามครั้งแห้ว่าปวารณาในสงฆ์สงฆ์ทั้งหลายเห็นการกระทำของผม ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นแล้วเป็นการไม่เหมาะสมขอผมขอประวารณาต่อสงฆ์ขอให้สงฆ์ว่าก่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีที่จะปฏิบัติตามในหลักธรรมวินัยที่มันถูกต้องนั้นอันนี้ก็คือพอจากนั้นหลวงพ่อก็นั่งองค์ที่สองก็นั่งกระยงปนมมือพูดอีกเนี่ยสร้างคำบันเตปวาเรเรมิพวก พระสงฆ์ทั้งหลายที่เห็นการกระทำของผมด้วยกายด้วยวาจาพูดตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์สุดท้ายทั้งองค์ที่4ี่สบดองค์คือปรวาวนาเป็นองค์องคองคไปอันนี้ก็คือเมื่อพวกเราอยู่ด้วยกันบางทีตัวเองอาจจะมองไม่เห็นความผิดของตนเองเหมือนกับผงทรลีมันเข้าตาตัวเองอย่างนั้น เราไม่สามารถที่จะเอาผงทุลีออกจากตาตนเองได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นที่เขามองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้เรียกว่าการพูดอย่างนี้เรียกว่าแนวความคิดที่ท่านพูดออกมาให้ได้ยินเนี่ยดูดูแล้วไม่ไม่ใช่หลักธรรมวินัยไม่ไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันนําไม่น่าจะถูกที่ท่านพูดอย่างนี้ฮะองค์นี้ก็อขอโอกาสผมขอว่ากาวตักเตือน แก่ท่านไม่น่าจะถูกนะเป็นลักษนานี้ขอให้ท่านไปค้นคว้าศึกษาดูอีกแต่ใ น, นเมื่อองค์ที่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนเพราะตัวเองได้ประวรณาในสงไว้แล้ว <c oughs> ก็กลับมาทบทวนว่าเออการที่เราทําด้วยการที่เราพูดหรือว่าแนวความคิดของเรามันอาจจะแปลกแตกต่างกว่าที่มันไม่ถูกต้องที่เขาเห็นจากนั้นเราก็ได้ ดูตนเองมองตนเองจากนั้นก็ทําให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนี่แหละคือการอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุขท่านอยู่ด้วยกันหลายหลายองค์นี้ก็เหมือนกันคณาจารย์ญาติโยมถ้านจะนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลักของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาท่านทำอย่างนี้แต่ถ้าว่าพวกเราจะนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวของเราหรือชุมชนของเรา หรือสำนักงานของเราหรือบริษัทห้ทางร้านของเราก็จะเป็นหนทางหรือว่าเป็นแนวทางหนึ่งอีกเหมือนกันคงจะถูกต้องในสมมติว่าสำนักงานของเราหรือครอบครัวของเราวันหนึ่งเป็นวันเกิดพ่อหรือวันเกิดแม่หรือวันเกิดพ่อเป็นวันเกิดหัวหน้าครอบครัวอย่างนี้น้นองลูกหลูกมาพร้อมหน้ากันพ่อกบปวารณา ลูกทั้งหลายแม่บ้านลูกทุกคนถ้าพ่อได้ร่วงเกินได้กระทำสิ่งไหนก็ตามที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้แม่บ้านลูกๆว่ากาวตักเตือนผมได้นะผมยินดีรับฟังในการที่กระทาที่ว่ามันไม่ถูกต้องนั้นทำให้พูดอยู่ในครอบครัวของเราหนักใจจากนั้นก็แม่บ้านปรวรรณาอีกลูกทุกคนปรวรรณาอีกอันนีถ้ถ้าหากว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวหรือสำนักงานของเราก็ตามจะเป็นครูโรงเรียนที่เป็นผ อ, อ, อหรือสถานีตำรวจหรือนายอำเภอที่พนักงานมาร่วมทำงานมีการปรวารณาต่อกันแล้วก็เมื่อปวารณาจบแล้วก็มีการว่าก่าวตักเตือนโดยธรรมและด้วยความเมตตาด้วยความรักเคารพจึงกันละกันแต่การที่จะว่าก่าวตักเตือนนั้น ตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเป็นระเบียบเอาไว้ว่าสําหรับผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่อย่างลวงพ่อที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพระวัวนหัวหน้าจะตักเตือนเหมือนกับพระผู้ใหญ่ตักเตือนผู้น้อยไม่ถูกต้องปรับโทษอีกนะปรับอบัติทุกกฎขาดความเคารพคือถ้าหาว่าจะตักเตือนผู้ใหญ่เราก็ปนมมือขอโอกาสครับท่านปรายการกระผมขอโอกาสที่ว่า ท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นในข่าวนั้นหรือึรืําอย่างนั้นในเมื่อนั้นไม่น่าจะถูกตับตามหลักพระธรรมวินัยนะกระผมอขอท่านอาจารย์ได้ทบทวนดูเชื่อกระผมเป็นยังไงหรือว่ากระผมพูดไม่ถูกหรือมันมันเป็นยังไงกระผมกระผมอย่างนั้นอยู่ขอกราบขออภัยขอโทษให้ครับว่าต้องขอขอโอกาสเจ้ ก, ก่อนไม่ใช่ว่าท่านอาจารย์ทําอย่างนั้นไม่ถูกนะ อไม่ถูกตามทํานองหรือว่าตามไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยถ้าจะพูดอย่างนั้นคือมาขาดความเคารพผู้น้อยเป็นอบัตทุกกฎแต่ส้ามาผู้ใหญ่ท่านเปิดโอกาสนะียเพราะว่าผู้ผู้ใหญ่เองผมบอกเอ้ยท่านจะทําอย่างนั้นนไม่ได้นะอันนี้มันผิดหลักพระธรรมวินัยนะมันผิดกฎนะเอพอแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคยพาดาเนินมานะท่านอย่าทํำนะอย่างนั้นนะออันนี้ใครเข้าเป็นครูบาอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนั้นได้ แต่ว่าพระผู้น้อยจะพูดให้ผู้ใหญ่เหมือนกับผู้ใหญ่พูดผู้น้อยไม่ได้ปรับอบัติทุกกฎเพราะขาดความเคารพนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกะที่เราจะว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่เราต้องขอโอกาสด้วยความเคารพเสียก่อนเดียงค่อยว่ากล่าวด้วยว่าตักเตือนท่านนี่แหละถ้าทําอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวหรือว่าพี่น้องประชาชน ที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นจุขเพราะว่าเราจะเห็นความผิดของเรานั้นมันเห็นยากแต่ว่าคนอื่นเขาหนักใจกับการกระทาของเราหนักพอสมควรแต่ถ้าการหนักนั้นเขาทำผิดหรือเปล่าบางทีคืออย่างว่าเขาอยากจะออกนอกลู่นอกทางก็เห็นครูบาอาจารย์หรือเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยเป็นเครื่องขวาง พเพรเองเพรเหตุไรพระเองอยากตัวเองอยากจะทําความชั่วเฉียบเสียหายไม่ถูกทําไม่ถูกถ้าทําอย่างนี้มันก็ใครเข้ามันก็ต้องหนักใจเพราะเหตุไรเพราะพอ่อแม่หรือบอกครูบาอาจารย์ต้องรักษากฎต้องรักษาระเบียบต้องรักษาหลักพระธรรมวินัยผู้ที่จะทําอย่างนั้นมันก็ต้องผิดมันก็ต้องหนักใจแต่ถ้าว่าตัวเอง ทำอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยศึกษาดีแล้วอยู่ในหลักพระธรรมวินัยถูกต้องแล้วถ้าจะทําเมื่อไหรอย่างไงครูบาอาจารย์เขาไม่มีไม่มีใครที่จะว่าเพราะใครจะว่าอย่างไงได้เพราะครูบาอาจารย์ก็เคยผ่านาผู้น้อยมาแล้วเป็นเนนเป็นพระเป็นผู้น้อยมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มาแล้วจนมาถึงขั้นหัวหน้าจะต้องวางอย่างไงวางกฎระเบียบอย่างไร นี่แหละอันนี้ก็คือหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าเองเมื่อพระพุทธองค์บัญญัติวินัยเรือว่าคําประวารณาอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์ก็ยังประวารณาประวารณาในสงฆ์เหมือนกันดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านเห็นการกระทาของเราตถาคตหรือว่า พวกท่านทั้งหลายจงว่ากล่าวเราได้เหมือนภาษาริบุตนั่งกระยงประนมมือว่าพระพุทธเจ้าข้าอันนี้เป็นพระพุทธองค์เป็นสยามภูรู้ทุกิทุกอย่างพระองค์ข้าพระพุทธองค์ทั้งหลายขอกราบลานาพระองค์ไม่ต้องประวรนาเพราะว่าพระองค์เป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ว่ากล่าวพวกข้าขับพระองค์อยู่แล้วพระองค์บอกพระองค์พระพุทธเจ้าบางทีเราอาจจะมีความไม่ ขัดตกบกพร่องลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้พวกเราีนได้ศึกษาในพระไตรปิฎกขนาดพระพุทธองค์เองท่านก็ยังให้พระสงฆ์ที่จะตักเตือนว่ากล่าวแต่ใครจะไปพูดเป็นผู้ว่ากล่าวไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านก็เปิดรถตัวของท่านลงมาให้สงฆ์ทั้งหลายว่ากล่าวนี่แหละอันนี้สำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ของเราแล้วจิตจะเป็นหลงปู่หลงตาก็ตามถ้าท่านยังแข็งแรงยังพูดได้ท่านก็ปวารณาในสงฆ์จนถึงองค์สุดท้ายคือการอยู่ด้วยกันนี่แหละวันสําคัญคือวั น, ว, นวันที่ว่าวันปวารณาเนี่ยคัญชนะไหนคือเป็นวันเป็นวันที่พระสงฆ์อยู่ด้วยกันต้องปวารณาเพื่อให้เปิดโอกาสให้แก่หมู่พกเพื่อนครูบาอาจารย์ ว่ากล่าวตักเตือนตอนเองได้นี่แหละอันนี้ก็คือขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ได้รบับรับูรับทราบนี่วันปวัติาแต่ทอนี้เมื่อเราออกพรรษาไปแล้วหลวงพ่อเองเนอยากจะย้ำอีกเหมือนกันพวกเราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ข้าพเจ้าจะงดสุราข้าพเจ้าจะงดการพนัน เ, ออเรือว่าสิ่งไหนก็ตาม ให้พวกเราทบทวนอีกว่าการที่พวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปแล้วนั้นเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษถ้ามันเกิดประโยชน์เราก็ควรจะรักษาสัตมนั้นไปเรื่อยๆเพราะเหตุไรเพราะมันของดี เ, เมื่อเป็นจึงอะไรก็ตามเป็นคุณงามความดีเราก็จะรักษาจุดนั้นไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่แต่ถ้ามาพวกเราเไม่ได้รักษาแล้วเป็นยังไงบางท่านบางคน พอตั้ง จ, จัดจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่ดื่มธุราในพรรษานี้สามเดือนพอออกพรรษาแล้วก็เลี้ยงฉลองเบิกถอยหลังอีกยิ่งมากหนักกว่าเก่าแสดงว่าทำคุณงามความดีะนะเพียงไม่เห็นคุณค่าทำก็ทำไปอย่างนั้นแต่ตามเมื่อริงเมื่อในพรรษาที่เรางดมันเป็นยังไง มันเป็นผลดีัหยเป็นผลดีในครอบครัวไหมเป็นผลดีกับตัวเองไหมแล้วมันเป็นผลดีเราก็ควรจะรักษาไปพอรักษาผลดีเหมือนเราอาบน้ำมาข้าไปเจ้าจะอาบน้ำทุกวันในสามเดือนเนี่ยจากนั้นเราก็อาบน้ำชำระกายทุกวันทุกวันทุกวันดูสิมันก็สะอาดใช่ไหมแต่ออกพรรษาแล้วพอหมดพรรษาแล้วลงไปคุกขี้โคลนขี้ตมอีก ดูแล้วมันสกกระปลกขนาดไหนมันที่ยอมเป็นที่ยอมรับของตัวเองไหมเป็นที่ยอมรับของคู่คนไหมเป็นพี่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องลูกหลานไหม่ถ้าองค์ไปตัวเองไปตรงไปคุกขี้ตมขี้โครนอย่างนั้นเขาก็คงจะตำหนิแต่เขาคงจะพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนทำให้ตัวเองแต่คนอื่นเขามองดูแล้วเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเรา อาบน้ำชำระกายแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็เยียงชำระอาบน้ำชำระกายให้เป็นคน ส, สะอาดเป็นที่ยอมรับของลูกของหลานของวงสาคณนายาตอย่างนั้นจะไม่ดีจะไม่ดีกว่าเหรอสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราคณะรัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนและก็พร้อมกันนี่แหละคุณงามความดีที่พวกเราได้สั่งสมด้วยว่าได้ประพฤติปฏิบัติมานั้น มันล้วนแล้วจะเป็นผลทางถ้าพวกเราคิดดูให้ดีนึกย้อนดูให้ดีย้อนหน้าย้อนหลังถ้าไม่มีใครเตือนไม่มีใครบอกจะเลยพวกเราก็อาจจะอยู่กินเป็นวันๆไปอยู่เป็นวันๆไปแล้วก็ถึงจุดจบของชีวิตแต่ถ้าว่ามีการบอกกล่าวกันท้าว่าผู้ที่มีธรรมะในจิตใจหรือ ว, ว่าผู้ที่ไฟ ไฟในความดีถ้ามีการว่ากล่าวตักเตือนพวกเรากางคนจะสํานึกได้แต่บางคนพอพูดเข้ามาก็ขว้างหูอีกเพราะมันหลายคนน า, นานาจิตตังน า, นานาทัศนะนานาความเห็นเพราะฉะนั้นถึงยังไงถึงจะเตือนเตือนหรือไม่เตือนก่อนหลวงพ่อในนามพระสงฆ์หรือว่าเป็นฝ่ายพระสงฆ์น่าจะเตือนมากกว่าน่าจะบอกกล่าวมากกว่าถ้าดีกว่าที่จะไม่บอกไม่กล่าวกันเเลย อยู่เป็นวันๆเป็นเดือนๆปีๆจากนั้นก็ไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอะไรเลยจากนั้นก็ร่วงลับดับขันไปเป็นชีวิตที่เปล่าประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านว่าท่านเปล่าประโยชน์ถ้าเกิดมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายพวกพี่น้องประชาชนสุดท้าญาติโยมทั้งหลาย ยาตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เตรียมพร้อมาไว้นะชีวิตนี้มันน้อยนิดมันไม่ชีวิตของเราไม่ใช่ยืนยาวพวกเราอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มากพอสมควรแล้วเราเป็นที่อุ่นใจและอย่างคุณงามความดีของเราได้ทำขุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจและอย่างเราได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้างเราได้ปฏิบัติบิบดามารดาถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือ หรืออย่างเราได้ครองชีพโดยสุจริตหรืออย่างเราได้ทำหน้าที่ของเราพ่อแม่ที่ดีหรืออย่างเรานำหน้าที่ลูกกับพ่อแม่กับญาติพี่น้องดีดีหรื อ, อย่างสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนดูว่าข้าพเจ้าอยู่ในสถานะอย่างนี้เดี๋ยวนี้อยู่ในสถานะไหน อยู่ในสถานะพ่อแม่หรือว่าอยู่ในสถานะรูปหรืออยู่ในสถานะครูบาอาจารย์หรืออ ย, อยู่ในสถานะสามีภรรยา เ, เราเป็นอยู่ในสถานะไหนให้ทำสถานะอยู่นั้ น, น, นให้สมบูรณ์บริบูรณ์จะให้ขาดตกบกพร่องแต่ส่วนลึกของใจเท่านีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเราเกิดมาเนี่ย ในร่างกายของเราเนะี่ยมีอยู่สองมีอยู่สองอย่างคือรู ป, ปธรรมและนามธรรมรู ป, ปธรรมก็คือร่างกายร่างกายของเราเนะี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าอันนี้คือร่างกายที่ว่ารู ป, ปธรรมส่วนนามธรรมคือจิตใจคือตัวนึกนึกคิดนึกคิดอยู่ในจิตใจเนะี่ยอันนั้นแปลว่านามธรรมแต่อยู่ในใจ แต่เรามองไม่เห็นตัวนามธรรมแต่รู ป, ปรธรรมนี่พวกเรามองเห็นแต่การดูแลรู ป, ปรธรรมพวกเราก็ดูแลอย่างดีแค่ว่าข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยอันนี้คือการเป็นอยู่ของร่างกายคืว่รู ป, ปรธรรมให้อาหารอย่างไรให้ที่พักพ่าอาศัยอย่างไรดูแลอย่างไรนี่พวกเราดูแลชัวาอาหารกาย อาหารกายพวกเราพอรู้ได้แต่อาหารใจเนี่ยอาหารใจคืออาหารนามธรรมจุดนี้พวกเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจดูแล้วคือไม่ค่อยสนใจไม่รู้จะให้ยังไงอาหารใจแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมท่านว่าอาหารของใจไม่เหมือนอาหารกายนะอาหารใจเนี่ยคือ สร้างสังสมคุณงามความดีเมื่อสังสมคุณงามความดีแล้วก็ทำจิตใจให้สงบให้ทาจิตใจให้มีพลังทำจิตใจให้นิ่ง เ, เมื่อจิตใจนิ่งจิตใจสงบแล้วก็ให้พิจารณาถึงความเกิดความเสื่อมให้พิจารณาด้วยวคิดดูให้ดีชีวิตนี้เราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่เราเตรียมพร้อมอะไรไ้บ้างแล้วบุญกุศลที่พวกเรา เกิดมาเนี่ยเราได้เตรียมอะไรไว้บ้างเราได้ทั้งสั่งสมคุณงามควา ม, วามดีอะไรไว้บ้างเราได้รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาอะไรไว้บ้างอันนี้คืออาหารของใจพวกเราต้องได้คิดอาหารของใจที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านไปนั่งสมาธิที่โคลนต้นโพพุทธคยา น, นั่งทําจิตใจเมื่อนั่งสมาธิแล้ว ใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบจิตใจนิ่งพอจิตใจสงบแล้วท่านก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆท่านก็บอกว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารปาูปธรรมแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวโลกทั่วไปให้ความสําคัญเรื่องรูปธรรมมากกว่านามธรร ม, มแต่หลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปรธรรมมันสวนทางกันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องศึกษาศึกษาที่ว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปรธรรมเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถิามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจนี่จะไม่ให้ความสาคัญเรื่อง เรื่องนามธรรมจะว่าอะไรท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจคือว่าร่างกายเนี่ยคือเป็นเป็นลูกน้องใจเนี่ยเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นท่านนใจของเราเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รั บ, รบการศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติอบรมทางด้านจิตใจถ้าใจของเราเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ใจของเรามีศีลมีธรรมใจของเราเป็น อ, อ มุ่งมั่นในสินในธรรมใจของเราได้รับการอบรมเมื่อได้รับการอบรมทีแล้วมีใจมีสินมีธรรมแล้วร่างกายจะพูดออกไปก็เป็นสินเป็นธรรมจะ ก, กระทำออกไปก็เป็นสินเป็นธรรมเพราะใจเราได้รับการอบรมมีสิ น, ม, สนมีธรรมแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นโจรผู้ร้ายจิตใจของเราเป็นอัตพานใจของเราโมโหอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหโกฏา สรุปแล้วก็คือจิตใจไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมสั่งกายออกไปก็กายของเราก่อนออกไปในผิดนะในทางที่ผิดสั่งวาจาออกไปวาจาก็พูดไปในทางที่ผิดเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการแ่เสียมสอนแล้วว่ามีศีลธรรมในจิตใจเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องใจ ลงเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนการทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นก็เป็นทางที่ถูกต้องแต่เราจะเพียงยินดีในการทำมาหาเลี้ยงชีพหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆเท่านั้นยังไม่เพียงพอนะถึงจะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงธาตุสี่เลี้ยงตั้งแต่ศีรษะจนจุดฝ่าเท้า เลี้ยงเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะหนุ่มไปข้างหน้าพอเลี้ยงเท่าไหร่ก็แก่แก่แก่แ ก, แก่จากนั้นก็ถึงจุดจบแต่ว่าถึงจุดจบ ถ, ถึงขึงค่าวตายแล้วเนี่ยพระพระุทธสพระพุทธเจ้าท่านศึกษาแล้วว่าตายแล้วไม่สูญเนาะจุดนี้เราเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคิดแล้วนะตายแล้วไม่สูญเนาะตายแล้วเกิดอีกนะไอ้ร่างกายของเราเนี่ยรูปธรรมเนี่ยตายแล้วสูญแ น, น่พอไปเผาไฟไมีมตกะกั่วจากนั้นก็ไป ลอยอังคารแล้วไปฝังที่ไหนก็ฝังได้แต่นามธรรมคือจิตใจเนี่ยถ้าว่าออกจากร่างนี่แลนี่แล้วนะ่ะมังทนก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นเออมนุษย์เป็นอะไรมีตั้งเยอะแยะไปเออวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยออกจากตัวนี้ทั้งหมดออกจากตัวนามธรรมตัวนี้นะ่ะไปเกิดเป็นสัตว์สารสิงก็ได้ไปตกนรกบกไหม้ก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมก็ได้ ตัวใจนี่แหละเป็นตัวที่สําคัญยิ่งพระพุทธเจ้าที่ได้ที่ท่านได้ตัดจรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่บอกพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่กายเป็นพระอรหันต์ใจของท่านเป็นผู้ผู้รู้แจ้งเห็นจริงที่วัานธรรมเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นผู้ตัดกิเลสเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าจะชวนร่างกายนี่คือเป็นผลพลอยได้จากจิตใจเท่านั้นน่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท่านทุกคนนะมาพวกเราได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเน้นหนักเรื่องว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจให้พวกเราหนึ่งศึกษาจากนั้นก็นลงมือประพฤติธปฏธิบัติเมื่อนั่งสมาธิ ด, ด้วยตนเองจะทำจิตใจให้สงบแล้วพวกเราไม่ต้องถามใครเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัย อาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกกล่าวจริงจริง เ, เมื่อจิตใจสงบลงไปแล้วเราจะเห็นได้ด้วยตนเองกายเหมือนกับพรถที่หลวงพ่อเปรียบเทียบใจะเหมือนกับคนขับรถแต่มันอาศัยกันร่างกายในะถ้าไม่มีใจเป็นผู้ขับเคลื่อนกายมันก็นอนนิ่งแต่ว่ามีเมื่อใจเข้าไ ป, ไปเป็นผู้บ่งการเป็นผู้สั่งการ สั่งสมองพอขึ้นไปสั่งสมองกดเครื่องจาตัดเครื่องพอจะ ต, ตัดเครื่องเท่า น, นั้นแหลระรถก็ตื่ น, น, นทํางานพอทํางานจะได้ก็สั่งการจะให้มันไปไหนเหยียบคันเล่งพวงมลาลัยเข้าไปนี่ น, นี้ก็เหมือนกันนะร่างกายของเราถ้าไม่มีใจถ้าไม่มีใจเข้าไปขับเคลื่อนนะร่างกายมันก็อยู่อย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงก็เจะ โซเฟอร์นี่จะฝีมือดีขนาดไหนก็เถอะใจเนี่จะขับรถดีขนาดไหนก็เถอะแต่รถมันติดขัดนะหัวใจวายเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเช่นเลือดแตกอย่างนี้นแปลว่ารถคันนั้นมันหมดสภาพโซเฟอร์จะฝีมือขนาดไหนก็ไปขับมันก็ขยับขยื่นไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะรถมันหมดสภาพรถมันแก่รถมันตายแล้วนะแต่เมื่อรถตายเยนะี่ยรถมันเสียใจไหม มันก็ไม่เสียใจเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรเจ้าโซเฟอร์เนะ่ยเป็นผู้เสียใจเดินแล้วเลินอีกรบอบแล้วลอบอีกเปิดกระโปรงแล้วเปิดอีกโปงหน้าโปงทั้งสองมองซ้ายมองขวามองข้างพื้นอีกนอนลบมุดไปข้างพื้นอีกดูอีกพะอะ่อยแหละเพราะว่ารถที่นี้ทำไมจะเป็นอย่างนี้มันตายที่ตรงไหนมันสายอะไรมันหลุดมันขาดนี่แหละผลที่สุดถ้าหาามัน เหลือบากราแรงจริงๆมันก็ซ่อมไม่ได้เหมือนกันนะอต้องยกเครื่องใหม่รถอย่างดีนะยกเครื่องใหม่ได้แต่ร่างกายของเราเนี่ยถึงจะยกเครื่องก็เอะเปลี่ยนหัวใจเขามีเอเปลี่ยนใต้ขามีอแต่ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนสมองฮะไม่มีใครที่จะเปลี่ยนสมองได้แต่เส้นเลือดแตกในสมองไปว่าจบเอยไปว่าใหญ่ที่สุดยกเครื่องใหม่ขึ้นนี่แหละ อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือร่างกายเหมือนกับรถแต่ส่วนจิตใจนามทำเหมือนกับคนขับรถแต่คนขับรถนั้นไม่มีป่าช้าหลวงตามหาบัวท่านบอวว่าใจไม่มีป่าช้าแต่ส่วนร่างกาย ม, มีป่าช้าเผาที่เมนแต่ใจไม่ตายออกจากรถคันนี้แล้วก็ไปซื้อปฏิสนที่ไปหาซื้อรถคันอื่นอีกแต่ถ้าว่าก่อนที่จะไปออกจากร่างนี้นะ่ะเรามีทุนได้อยังนะ จุดนีนะ้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาจะต้องคิดลนะ่ะค้นคว้าลนะคนที่ว่าจะไปซื้อรถเนะี่ยมันก็ต้องมีเงินใช่ไหมนี้ก็เหมือนกันนะ่ะถ้าคนที่ออกจากรถคันนี้นะ่ะก็ต้องมีบุญนะตัวเองได้มีบุญหรือยังได้สังสมคุณงามความดีหรืออย่างหรือว่าเกิดมาทั้งที่มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นสัมมาเลเทเมาไปเลยกินเหล้าเมายายไม่ได้คิดถึงคุณงามความดีสเสลยเนี่ยดังนั้นบุญกุศลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิด ถึงบุญกุศลไม่ได้คิดสั่งสมคุณงามความดีนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรรมะให้ทำคุณงามความดีไว้อย่างที่โอวาทปฏติโมกสัปปาปัสสะอัครนังการไม่ทําบาปกุศรัสูประสัมปทานการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตประโยชน์ปานังการทําจิตใจให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสเอตังพุทธานัสสะสนัง นี่แหะคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่หลวงพ่อเคยพูดอกตังทุกตังเสยโยปัจชาตตปติทุกตังความชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําไปแล้วทําให้ตนเองเกิดร้อนทุกข์ระทมเมื่อภายหลังเมื่อได้รับโทษเพราะตัวเองทําความชั่วเพราะฉะนั้นให้ทําแต่คุณงามความดีให้จังสมเต็มคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหน แตัวเองอยู่ก็เป็นสุขเมื่อสั่งสมคุณงามความดีเมื่อตายไปแล้วก็บุญบจจกุศลจะเกื้อกูลหนุนเรามีแต่ความสุขตลอดไปทั้งชีวิตนี้และทั้งชีวิตหน้าปุญญานิปละโลกัตสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉนั้นพวกเราควรสังสมบุญการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ วันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร